พวกเราจะได้รับเสด็จไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้รับเไดมทําอย่างวันพุธนี้นะอาจจะไม่มีต่อไปก็ได้หรืออาจจะมีต่อไปภายภาคหน้าเพราะอนั้นอนาคตนะแต่วันพุธนี้พวกเราก็จะได้มารับเสด็จพร้อมๆกันเนอะขันตติทาญาติโยมถือว่าวันพุธนี้เป็นวันสําคัญยิ่งเพราะนั้นพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนา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 เอให้เป็นให้เป็น่าเป็ น, ปนข้าวจีข้าวจีลําออนางก็เน็บพกไปเน็บพกไปเพื่อจะไปกินตามทางที่ไปตักน้ำตอนนี้พอ พ, พ, พระองค์เห็นอุปนิสัยของนางปุณณธาสีเนี่ยเป็นผู้มีจิตศรัทธาเอเป็นผู้เป็นผู้จิตใจงามพูด ง, ง่ายๆเป็นผู้มีจิตใจงามผู้หญิงคนนี้พระรองค์ก็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 คือผ้าห่มสังคาติคือสองชั้นเป็นผ้ากันหนาวเรียก ว, ว่าผ้าไตรจีวรภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนแรกต้องนิจคียปายจิตติคือไม่ให้พระสงฆ์อยู่ปราธจากเ ร, รกี ย, ยรว่าอยู่ห่างผ้าไตรสามผืนให้รักษานี่นี่ละคือพระพินัยของพระพุทธเจา้าท่านให้ความพิถีพิถันเรื่องผ้า เ, เป็น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 ใจของเรามีความตั้งมั่นมอีอยากจะให้ใจของเราอยู่ในกรรมฐานทุตที่ปลายจมูกนั่นแหละ เ, เราพยายามนั่งให้นานแต่โดยมากมันจะกิเลสมันจะเอ๊ะมันจะทะเลถลาเข้ามาง่ายๆเองการงานของเราวันพุ่งนี่เราจะต้องทำงานอาจจะพักพ่อนไม่เพียงพอ อ, อะไรต่อเมื่ออะไร ม, ม, มันมาหลมมาตุ้มเข้ามานะ่ะแต่เวลาเราไปนั่ง ดูละครวิทยุเราไปนั่งดูโทรทัศน์นั่งปากบ๊อยู่จังหนุนนานน่งกิเลสมันชอบไะเอามันจะนั่งได้นานแต่ถ้าว่าพอนั่งสมาธิเนี่ยเอามันจะเข้าไปมันจะตีท่านนู้นตีท่านนี้เอาเถอะข้าพเจ้าหาเวลาให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะนั่งสักหึชั่วโมงวันนี้อถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ลุกไปขยับตัวเอจากนั้นก็เนี่ย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 ถึงร่างกายสังขารพิจารณาถึงความตายกำหนดดูตายข้าพปเจ้าต้องตายแน่นะ่ะเห็นไหมคนอื่นเขาตายตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่เอตัวเองก็ต้องเหมือนเขาได้แหละอันนี้ก็คือกำหนดดูความตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายของคู่คนทั้งหลายให้เห็นเห็นความตายคือมรณะภัยของชีวิตทุกคนจะต้องถึงจุดจุดนั้นแล้วก็พิจารณาถึง อ, อสุภะ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 ให้พิจารณาถึงธาตุสี่คือดินปฐวีคือธาตุดินอาโปคือธาต้น้ําวาโยคือธาตุลมเตโชคือธาตุไฟในร่างกายของเรามีธาตุสี่นะใช่ไหมใจใจที่ได้รับความสงบมาแล้วใจก็รู้แชายจแ้ธาตุสีจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะจากนั้นพิจารณาอสุภะไนร่างกายของเราเนี่ย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 มีความสุขเอแต่คนที่เห็นร่างกายของตนเองเนี่ยเขาว่าตัวเองเนี่ยขอพับพอขอพับเสร็จแล้วอ้อันนี้มันตายแล้วเองเขาว่านอ่ะออมันตายจากนั้นเขาก็เอาหมอหมอก็คงจะมือแถวหนะึ่งเอาเครื่องมามาดูหมอก็รับรบองว่าตายแล้วทีคนคนนี้ตายแล้ ว, ลวพอตายเจอแล้วเขาก็เขาก็เอาไปห้องดับจิตทิมวันนะเอไปห้องดับจิต ตอนี้เขาก็เลยโทรไปหาญาติานนี้ผู้หญิงคนนี้ามานั่งอยู่ที่นี่มานั่งภาวนานตายเขาเนะสลบไปแล้วตายพวกญาติพี่น้องก็เลยปารอเปะเลปโสปรปเสมาตายได้ยังไง เ, เขาก็เลยเอาออกมาจากห้องดับจิตนะพอออกห้องจับจิตออกมาอยู่าจากนั้นก็ฟื้นคืนมาอีกอฟื้นคืนมา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 วันนั้นขอวันนี้ก็ใส่สาธกในแนวปฏิปทาหรือ ว, ว่าแนวปฏิบัติสําหรับจิตภาวนาให้คณะสัทธาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษานะ อ, อได้ฟังได้ศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะได้นําสั่งสอนเรื่องจิตภาวนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนั้น อ, อมีน้อยลงไปแล้วก็พร้อมกัน